ไม่เคยเห็นเขาเลยตรงนี้เรียกว่าตัวปรุงเขามีอุปกรณ์ปรุงอยู่หรือเราอาจจะเรียกชื่อนี้ว่าสังขารก็ได้ใช่ไหมจริงไหมที่เคยได้ยินมันมีตัวปรุงอยู่เราไม่เคยเห็นเลยตัวนี้เขาปรุงเสร็จแล้วเขาทาไงปรุงเสร็จแล้วเนี่ยเขาฉีดเข้าไปในนี้ถูกไหมเช่นเขาปรุงกับว่าอะไรเมื่อกี้เช่นโกรธก็ได้ใช่ไหมโกรธนะเขาปรุงโกรธขึ้นมา ก็โกรธใช่ไหมโกรธก็จะถูกนี่วาวนะถูกฉีดเข้ามาที่นี่ฉชนถูกฉีดโกรธเข้ามาจริงไหมจริงไหมเขาฉีดมาเพื่อผสมกับอะไรผสมกับรู้ถูกไหมตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะทันทีเลยเป็นรู้โกรธแต่มันไม่ใช่โกรธตัวเดียวขาดที่เขาสร้างโกรธเนี่ยเขามีตัวหนึ่งเขามีฐานอยู่เสมอเลย คือเราเป็นฐานเสมอเลยทุกอย่างที่เข้ามาเขาจะมีเราปวกมาเสมอมันก็เลยกลายเป็นอะไรเป็นรู้มิเขมาใช่ไหมก็กลายไปเป็นเราโกรธและรู้ใช่ไ้ยพอผสมเสร็จก็จะกลายไปเป็นอะไรเหลืออะไรเหลือเราโกรธใช่ถูกต้องนี่สุดท้ายมันจะเหลือแค่เนี้ยคืองาโกรธโูกอะไรเข้าไปแล้ว หกเข้าผสมก็นไปในนี้แล้วทั้งกรอบนี้ก็คือ น, นามใช่ไหมกรอบทั้งหมดนี้คือ น, นามรูปอยู่ข้างนอกเป็นฐานรับจริงไหมรูปเป็นฐานกรอบหมดเลยเห ม, มือ น, นเหมือนกับน้ำกับแก้วอ่ะเขาจะถูกสิ่งนี้เข้ามาเสร็จแล้วตรงนี้เขาจะมีทางออกก็อยู่เพื่อที่จะรักษาสภาพเขามาที่นี่ฉะนั้นตรงนี้เขาจะถูกวิ่งมาทางออก ก็จะเอาอะไรขึ้นมาที่นี่ย้อนกลับมาภาษาอังกฤษเรียกว่าอันนี้ภาษาไทยเรีย ก, ว, ย ก, กภภว่าย้อนกลับเพื่อรักษาสภาพถูกไหมฉะนั้นสิ่งมาย้อนกลับพฤติกรรมเป็นอะไรเราโกรธใช่ไหมใช่ไหมย้อนกลับมาที่นี่เพื่อทําให้ขึ้นรักษาไว้หรือทําให้มากขึ้นฉะนั้นเราจะเห็นว่าทําไมมันถึงโกรธนาน ตัวเนี้ยมันเป็นตัวรักษาให้ถึงว่าให้ให้มีเวลามากขึ้นถูกไหมฉะนั้นมันได้กดพับหายเพิ่จริงไหมเพราะตัวนี้แหละที่ย้อนกลับไปพอย้อนกลับมาปั๊บทำไม่อีกก็ปรุงเข้าไปอีกบางทีเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโม ง, งเป็นวันหนึ่งแล้วตัวนี้เขาไม่ได้หายไปไหนนะ พอเข้ามาอีกอเขาก็ทำอะไรอีกตัวนี้ก็เปนี้อีกก็เป็นเราโกรธอีกนี่เป็นอะไรอีกเราโกรธอีกนี่เป็นอีกเราโกรธอีกมันจะแพร่พั น, ปนไปไหนอีกเยอะเลยเส็จแล้วปรากฏว่ามีเรื่องอื่นเข้ามาเช่นต้องไปตลาดต้องไปอะไรก็แล้วแต่อารมณ์จกเปลี่ยนจากโกรธตัวนี้ก็จะเป็นอะไรก็จะเป็นงานเข้ามาจริงไหมทามาแล้วเช่นทํา บัญชีถูกไหมงานเข้ามาแล้วเรื่องบัญชีก็จะเข้าไปในนี้จริงไหมก็จะกลายเป็นรู้เรื่องของบัญชีจริงไหมแต่ถามว่าเราโปรดที่ได้ทําเอาไว้เมื่อกี้ไปไหนแล้วฝังอยู่ไอ้ตรงฝังตรงนี้แหละท่านเรียกตัวนี้ว่าอาสวะหรืออะนุใส<ม>พร้อมที่ทางไห อ, อีก ปวดอีกมันเลยไม่บวดสักทีจะไม่เหนิงนี่แล้วไม่จะแก้ไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ว่นจะแก้ไงแสดงว่าเริ่มรู้ตัวแล้วถูกต้องถึงผมจะว่ามันเป็นฟาร์มฟิงที่ฟังได้ยากไงถึงว่าไม่ใช่เรื่องยากเราจะได้มีกันเรื่องเดี๋ยวบอกเราจะมีกำลังใจถงบ้างเหมือนกับโยบกนอมีกาลังใจไม่นั่นหนีฉันไปนานแล้วถูกไหอ ฉะนั้นจะเห็นว่านี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นมาสามสิบปีบ้างไม่มีแล้วตอนนี้มีสี่สิบปีบ้างห้าสิบปีบ้างหกสิบปีบ้างใช่ไหมนี่พูดถึ ง, ถงอายุพูถึงอายุเราต้องยอมรับถูกไหมเราต้องยอมรับเราไม่มีแล้วสามสิบใช่ไหมทีนี้ก็มีคําถามว่าแล้วทําอย่างไรงต้องเลยฉะนั้นจะเห็นว่ากายตรงนี้เขามีตัวต่ออยู่ หนึ่งสองสามสี่ห้าเขามีตาถูกป่ะตามีกายมีตาจริงไหมมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายถูกป่ะใจคือตัวข้างในจริงไหมก็คือรู้นี่แหละถูกป่ะก็คือมวาสามารถเลี้ยงตัวมันเองได้ถูกป่ะเนี่ยยืนหน่อยก็ได้มันปวด เออไปนั่งนี่ก็ได้มามไม่ปวกก็ได้ไม่เหยียดอะไ่เหยียดได้เีนี้ก็ได้มามนี่เอาเอาเอานี้ออกอ่อ่ามานั่งนี้อ่าวนี้เขาจะเดินทางแล้วผู้ใหญ่ไม่เป็นไรหรือว่านั่งคนละที่หรืป้าเออเหยียดก็ได้มานั่งนี่ก็ได้อืม อันนี้เป็นการบ่บอกถึงว่าอยู่ลักษณะนี้หมดใช่ไหมซ้ำซ้อนใช่ไหมลักษณะนี้หมด่าทีนี้ว่าจะเห็นว่าพอมีตาหูจมูกจิะใจอยู่ข้างในจะได้เห็นว่าแล้วจะแก้อย่างไรหนึ่งหูได้ยินพระธรรมเรือกว่าฟังเทศหรือเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ สัมมาแปลว่าถูกต้องภาษาไทยนะหรือชอบเยอะกว่าได้ยินทิฏฐิก็คือความเห็นหรือความรู้ก็ได้ถูกไหมคือความรู้ที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องเช่นตัว อ, อย่างว่าถ้าขับรถถ้าเป็นผู้ขับต้องขึ้นทางไหนรถของเอาถูกไหมต้องขึ้นทางขวาใช่ไหมถ้าขึ้นทางซ้ายละ ตัวผู้นั่งใช่นี้แล้วก mm. ็ความหมายที้ถูกต้องยกตัวอย่างให้ฟังถูกไหมฉะนั้นเผอเอิญเรามาฟังเรื่องความหมายที่ถูกต้องเข้าไปว่าอะไรเข้าไปว่ากายนี้เกิดจากใครพ่อแม่เห็นยังนี่ได้ยินแล้วถูกไหมแล้วใครคิดเราใช่เราคิดคิดจากอะไรจากสมองใช่ได้ยินแล้ว วันหนึ่งปรกากฏว่าเปลี่ยนอีกแล้วเดินไปนอีกแล้วเจออีกแล้วอะไรโรดไม่แล้วใครโกรดเราใชพอเราโกรธปั๊บจุก ป, ปะปรากฏว่าทั้งในเนี่ยมันมีสิ่งที่เรามีความเห็นตรงเนี้ยมันวิ่งมาที่นี่มันย้อนมาที่นี่กายก็จะใครแ ม, แม่พ่ อ, อเป็นที <laughs> ใครคิดเราคิดเราคิดเราเกิดจากอะไรมันมาจออยู่ตรงนี้ตาหูจมูกลิ้นลิ้นตัวนี้หมายถึงปากด้วยปากตัวนี้ยังหุบอยู่หน้าเป็นนี้แล้วปากเป็นนี้แล้วเออาเจ็บไหมเนี่ยปรากฏว่าความเห็นมันจอที่นี่แต่โกนแล้วไหมโกนแล้วใจไปแล้วทีนี้แหละ พอเอิ์นมาเข้าอิปัสนา9วันอันนี้ก็วันที่เท่าไหร่ลน่สองเองสี่ยใชอันนี้กี่วันเอิจะก้าใช่ไหมเข้าบังคับมากถ้าเกิดมีอาการโกรธต้องกบฏดว่โกรธนอกำหนดเรากำหนดตรงนี้ว่าโกรธนอโกรธนอเพื่ออะไรไว้ยับยังยับยังให้ทำอะไรไม่ให้เข้าให้ต่อไม่ให้เข้ามาจริงไหม ยับยั้งโกรธหนอนี้ไว้ก่อนพอยับยั้งปับวาวนี่ปิดเลยจึงก็บดโกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอพนักงานโดโกรธเพราะไปไงมันจะนึกถึงอะไรอย่างหนึ่งกับนึกถึงอีกอย่างหนึ่งเช่นอ่ากลับบ้านนีกว่าหรือเหตุการณ์ที่เราคิดว่าในอดีต ที่มันไม่ค่อยดีเห็นไหมมันจะเก no> ar ิดขึ้นสองอย่างเลยอย่างนี Nixon ้ก็เกิดอย่างนี้ก็เกิดจริงไหมมีสองอย่างเลยอันนี้ก็ยัาโดนเรอโดนเหรองกนเหรอโกนอยู่ใช่ไหมใช่ไหมทีนี้มันก็มีต่อว่าเอาอันเนี้ยมาส่งหลวงพอดีหรือเอาอันนี้มาส่งหลวงพอดีถ้าเอาอันนี้มาส่งถ้าเอาถ้าเอานี้มาส่งหลพ่อนะ อันนี้เราก็ปิดเอาไว้แล้วบอกว่าดีค่ะเป็นไงบ้างดีค่ะดีค <c oughs> ่ะในนี้เก็บเป็นเดิมแต่พระเอิญไม่ใช่หนึ่งหนึ่งเขามาส่งว่าถ้าเราโกรธและคิดไม่ดีทําไมจริงไหมนี่เขามาส่งแล้วเลยเกิดการอธิบายมันขึ้นมากูมันแกไม่ได้สักทีอ่ะถูกต้องเพราะยังไม่ได้ฟังเรื่องนี้ <c oughs> จะมาถ้าเราฟังเรื่องนี้เราจะแก้ได้หนึ่งเพราะเกิดความไม่ดีขึ้นมาเธอจะเห็นว่านี่เป็น เป็นอาการที่เธอเกิดตรงนี้ขึ้นมาว่าเราเคยทำไม่ดีมาเนี่ยมันถูกไหลาจากนี่มาจริงไหม <c oughs> มันเคยฝังอยู่นี้จริงไหมมันจะไหลว่าเราเคยทำไม่ดีมาปรากฏว่าถ้ามีกติกาให้เราทำไงก็หมดว่าอ <c oughs> ชั่วหนอชั่วหนอชั่วหนอไม่ดีหนอไม่ดีหนอจริงไหม บอกว่ามันบอกว่าเราทำไม่ดีมาเมื่อดีจริงไหมถ้าเราไม่กำหนดเราไม่มีทางแก้ตัวนี้เลยแต่พอเรากำหนดมันจะมีสองเราใช่ไหมคือเราทำชั่วมาเมื่ออดีตกับเรากำหนดเธอจะเลือกใครกำหนดส่วนใหญ่เราเลือกอะไร เ, <ล>เราเลือกชั่วเมื่ออดีต เอาเมื่อเอาจะเอาเมื่อไหร่อะอช่กูเป็นโจแง่เลยมันโจวพิบูลเลยเราเลือกชั่วอดีตเราก็กําหนดแล้วก็ขายยังเนรอใส่เนาะไม่เอาแล้วใช่ไหมเพราะเราไม่ยอมรับว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เราเพราะใครกำหนดอยู่ถึงแล้วก็ปัดหยุดบังไง เราไม่เชื่อว่าเราในอยู่ปัจจุบันเราไม่เชื่อหรอกและถามว่าจะเชื่อได้เพราะอะไร เ, เราต้องเชื่อใครเชื่อครูบาอาจารย์ใช่เพราะครูบาอาจารย์แปว่านี่นะเธอนั่นไม่ใช่องค์เรมันถึงท้นท่านไม่ไหวแล้วท่านบอกเจ้าว่าขอราศีขาเธอมันมีแต่การฆ่ามันมีแต่การฆ่าถ้าไม่ไหวแล้วถ้ามีศาสนาถ้าไม่ไหว พนเจ้าให้เจออรมึงเนี่ยท่านบอกว่าท่านบอกว่าองค์กคลมานนั่นสัญญาขันไม่ใช่เธอแล้วมันจริงหะจริงไหมนี่คือสัญญาขันน้นเลยมันจำเรื่องราวท้่อยู่ในหมดบอกวา่าเธออยู่ที่ไหนใครคิดอันนี้เรียกว่าสังขารหรือเรียกว่าคิดก็ได้ใช่ไหมเราอยู่ตรงนี้หรือเราอยู่ตรงนี้ เรา น, นะเราอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงนี้อยู่ข้างนอกเราอยู่ข้างนอกนี่ไงถึงเรียกว่าเราคิดตรงนี้เมื่อเราปับปั๊บเราเลียกกายเป็นสติไม่เห็นเนะยหรือเรียกว่ามาทีนี้พอคำบอกว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอใช่ไม้มเพราะความคิดหลจากยยนี้มาใช่ไหเออไลลจากข้างในมาจริงไหม เขปัจจุบันเนี่ยพอรเรากำหนดที่แล้วก็เราใครกําหนดเรากำหนดอะไรใช่เราก็หนดรู้รู้ซึ่งมันจําสัญญาเอาไว้เราก็เลยไปหลงว่าไอ้รู้กับสัญญาตัวนี้เป็นใครเพราะมันจํามันจําอะไรไว้ด้วยมันจําเป็นเราด้วยมันกลายเป็นเรากับความรู้สึก ว่าเรานะหไอ้ น, นี่เป็นแค่ความรู้สึกว่าเราซึ่งอยู่ในไหนไ ม, ไมันอยู่ในจิตเธออยู่ที่ไห น, น, ธ น, นเธ อ, นะออยู่ข้างนอกเธออยู่ที่สังขารอยู่ที่สติสติถึงอยู่นอกเห็นะหสติปัฐานสี่เมียนถูกไหมนี่เธออยู่ข้างนอกเพราะฉะว่าเราหลุดพ้นออกมาไงทูลให้กําหนดไงเ <c oughs> พื่อหลวงพ่อได้แยกว่าเราควรจะมีกี่เรา ใช่ควรจะเป็นเราเดียวก็จริงๆก็เป็นเราเดียวแต่เราทีนี้มันเป็นสัญญาหมดเลยที่เรามีมากี่ปีละ่ะมันเป็นสัญญาเราเลยไปาำว่าสัญญาเป็นอะไรเป็นเราซึ่งตัวเนี้ยจิตเนี่ยมันฝังอยู่ในจิตมันเป็นในการของจิตเชิเราทําไมต้องให้กำหนดไงเพื่อแยกใหไ้ได้ว่าเรานะ่ะอยู่ตรงไหน เขาตั้งแก้ได้หมดเลยแก้ได้ทุกกรรมแก้ได้ทุกกรรมวันนี้จะได้พูดกับพระตอนไปฝึกที่ผมทั้งปิดเจ้าว่าใครเคยฆ่าคนมายังแก้ได้เลยแต่เป็ฆ่าในการไม่เจตนานะไม่ใช่วางแผนไปฆ่าเขาอย่าองอุกลิมาเนียถ้าไม่ได้เจตนานะเจตนาที่จะอาฆาตไม่มีนะท่านอยากได้วิชายรล <อ S 1> ้วว่าคะแล้วถ้เกิดว่า ความกรเนี่ยอันนี้คือเป็นเราเราคิดเรายังจำอยู่แต่ว่าเราไปจําคนที่ทํากับเราเหรอคะอ่าอันเดียวกันเพราะว่าขณะที่ขณะที่เราจํามาเนี่ยเราไม่ได้จำธรรมดานะไม่ได้จาธรรมดาจำฝังใจอ่าจำฝังใจใช่ครับถึงขั้วคือรู้เนี่ยรู้เนี่ยนี่นี่นี่ไอ้กรอบๆนี่เป็นเป็นเป็นเป็นรู้หมดนะรู้เนี่ยหรือเรหลานจะเรียกว่าจิตก็ได้กรอบเนี่ย มันเป็นที่โล่งๆในเทียบเคียงในรูปนะจิตเนี่ยมันรู้ในเป็นที่โล่งๆเวลาที่เขาจําเนี่ยหนึ่งเขาจำว่าเป็นไงหนึ่งคือเกลียดอัหนหนึ่งเกลียดก่อนอะจะเกลียดเกลียดตรงเนี้ยเรียกว่าอาการเวทนาชื่อว่าเวทนาจริงปะ่ะแต่จําว่าเกลียดภาษาเรานะเสร็จแล้วเกลียดตัวนี้มันจะเกิดไม่ได้เลยเนี่ยเกลียดตัวนี้จะเกิดไม่ได้ มันเกิดมันจะสร้างก่อนมันจะสร้างรูปคนที่เราเปลียดก่อนในนี้มันจะจําไว้มันจะสร้างรูปนี้มาก่อนจริงไหมสร้างรูปตรงนี้เขาเรียกว่ามันเป็นรูปเสมือนจะสร้างรูปก่อนเนี่ยเสร็จแล้วตรวรูปเสมือนตรงนี้เขาจะเรียกว่าอุปาทาอุปาทานอุปาทานขันธ์โทงเนี่ยรูปที่เป็นอุปทานขันธ์นั่งอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ตรงนี้มันสร้างอยู่ในจิตขั้งมันนี่คือรูป ที่อุปารทานขึ้นมาเคยไหมฉ่นเห็นผีอุปาทานเห็นยเงนั่นแหะอุปารทานว่าผีอุปารทานเคยมันไม่จริงเวลาเราเกียรติใครเนี่ยเราสร้างรูปคนนั้นน่ะแต่รูปคนนั้นน่ะอยู่ที่ไหนอูปบ้านเขาแต่ได้ไม่อยู่ในใจไทยรูปตรงนั้นเลยเรียกว่าอุปารทานมันจะไม่มีสองรูปเด็ดขาดของที่มันจะมีรูปเดียวรูปปูบาทานขั้นโวเวทุปบาทานคนหนึ่งอยู่รู่นไปใช่อยู่ตรงนี้ จริงไหมตอนเราเกียดใครเกลียดเราอะเกียตัวเองฉะนั้นสร้างรู้ขึ้นมาปั๊บมันก็เลยเกิดอาการเกลียดขึ้นมานี่เกลียดเกียตรงนี้ถ้าเรียกว่าเวทนานะสร้างขึ้นมาถูกเสร็จแล้วทาไมเลยจไว้จำจฝังใจจาฝังใจไอ้ตรงจาเรียกว่าอะไรสัญญาเห็นไจริงไหมเขาเคยทาอะไรแล้ไว้เคยทำแล้วไว้พวกเนี้ย เคยทำไว้ใช่ไหมต้องทําไว้เนี่ยเรียกว่าสังขารซึ่งจะเป็นสังขารที่เกิดจากอันนี้ทีแรกถูกป่ะครั้งแรกแต่จะจํานี้ว่าวัดทําอะไรไว้ <c oughs> แล้วก็เกิดอะไรไว้เออโอเคโ <c oughs> ดยว่าเขาได้ทําใครไว้เ <c oughs> ขาทาใคร <c oughs> ทําเราเนี่ยทําเราเราตรงเนี้ยคือนามรูปหรือเรียกว่าวิญ ญ, ญาณเคยทาเราฉะนั้นเราอะไรกันเป็ผู้ถูกกระทำใช่ไหม เขากระทำเราถูกไหมฉะนั้นขันห้าทั้งหมดที่เป็นอุปทานขันอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตไอ้ที่นั่งนี่เขาเร <téléphone> <t les> ียกว่าขันห้าไม่ใช่อุปทานอุปทานอยู่ในจิตนี่นี่ขันห้าเนี่ยที่นั่งไม่ใชไม่ใช่อุปทานขันห้าเนี่ยนี่ขันห้าเห็นไหมแต่อุปาทานอยู่ที่นี่เลยท่าเรียกว่าอุปาทานขันห้าถูกป่ะแต่อยู่ในนี้มันเกิดการปรุงขึ้นมา เจากนั้นเหว่าสุดท้ายแล้วใครเป็นผู้ทำทั้งหมดใช่ข้างนอกนี่จะเป็นผู้ปรุงหมดเลยในทั้งหมดห้าขันจานั้นพอเรากาหนดพับขันข้งหาถูกทําลายอะ่ะขันในนี้ไม่ใช่ว่าดับขันไอ้นี่ตายเลยไม่ใช่ในนี้อยู่ในนี้อยู่ในนี้แต่อันนี้เราไม่ต้องรู้รายละเอียดแค่ตอบคำถามว่า แล้วเราจะจัดการได้ยังไงกับเรื่องราวในอดีตหัวใจอยู่ตรงนั้นฉะนั้นเรื่องราวก็คือว่าเธอจะต้องไปไงเขาเวล า, าเกิดอาการเกลียดอาการเกลียดอาการเกลียดเนี่ยอยู่ในขั้นพยาบาทนะอยู่ในขั้นพยาบาทเลย<อ>เธอเธอต้องกําหนดว่านนะมันมีเราเกลียดใช่ไหมมันมีกี่ เ, าเราสองเดียวใช่เราจะต้องให้รู้ว่าเราอยู่ตรงไห น, นอยู่ตรงกำหนด นี่แหละพอเธอรู้ว่าเธออยู่ที่กำหนดตรงนี้เขาเรียกว่าเกิดปัญญายานนี่แหละยานเขาเราียกว่ายานยานเท่านั้นถึงจะดับเกลเธอได้ยังอื่นดับไม่ได้ยานเลยกระทาให้มันแยกเป็นสองโดเกลยดเก้าอี้ไหมไม่เกลียดเกียดที่ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะใช่ทูกเหมือนกันก็เธอนี่รู้ด้วยกันว่าแล้วตรงนี้เขาบังทำอะไรเธอ เขาไม่ได้ทำอะไรนะเขาคงมปย้อนเขาไม่ได้ทำอะไรเธอนะฉะนั้นที่เขาทำอะไรเพราะเราไม่ฉลาดเราก็เลยเอาเรื่องเราในีดีมาทำาไมเพื่ออะไรรู้ไหมรู้ป่ะหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อรียบร้อนความสนใจ เท่านั้นเองถึงว่าเพื่อเรื่องร้องคำต้นใจเราไปอยู่ไปยอดเขาทีไม่คำต้นใจไม่สนใจใครหรอก <c oughs> เท่านั้นเองตรงเนี้ทาให้เรารู้ว่าเราก็เลยเป็นไงเรารู้ว่านี่คือปัญญาแท้แทเนี่ยคือปัญญาแท้แท้เลยคือปริญญาแท้แท้เลยอย่างนี้ถึงจะเป็นไงได้แก้ได้ฉะนั้นถ้าบอกว่ของใหม่อย่าเอาเข้าอะนะอย่าเอาเข้าของใหม่เพราะของเก่าเป็นไงอยู่แล้วอ <c oughs> <c oughs> นั้นตอบคาถามหนึ่งว่าจะแก้ได้อย่างนี้ก็คือที่เธอปฏิบัตินั่นแหละแต่ยังไม่ยังไม่พูดตรงนี้ให้ฟังเ็าเพราะอะไรต้องการให้เราเจอก่อนแล้วฉันจะพูดให้ฟังถูกป่มเออหมดยังอันนี้ก็ส่งเรื่องไหก็เพราะมันไม่เจ็บมันก็ไม่คิดอะค่ะ อ่าถูกต้องถูกต้องเฉะนั้นกต้องเราไมใมันเก็บทำไมอะอ่งเลยโลยแต่รู้ไหมว่าแม่เป็นเจ้ามากเลยถามแทนโยมผู้่มเลยรูได้ไรู้ไไถาถามแทนเลยแต่รู้ไหมว่ารู้เนี่ยรู้เนี่ยถูกไหมเขามีสภาพเกิดและอ เป็นคำถามที่ฉันก็ถามีรดอเหมือนกันแต่ฉันไม่กล้าถามเพราะเชดอเป็นพ่อแม่เราพูดคนไทยพม่จะถามใครยริงไหมต้องเลยแต่ฉันก็อ่านหนังสือท่านจนเจอรู้นี่มีสภาพเกิดอะไรรู้เนี่ยเขาต้องรู้ทำไมเขต้องรูกยยงก้กายจริงไหมนี่คือกายจริงไหมแต่เขาต้องรู้กายนะเพราะกายเนี่ยเป็นที่ตั้งเขาอยู่เขาต้องรู้กายในกายมีอะไร เขามีเวทนาอยู่โดยธรรมชาติเลยใช่ไหมนั่งนั่งนั่งอยู่นั่งไงเวทนาเีเวทนาจริงไหมต้องถามว่าเวทนานี่มีจริงไหมมีจริงเนี่ยท่านเรียกว่าสัจจะไม่มีใครเถียงได้ว่าไม่มีเวทนาจริงไหมฉะนั้นเวทนาตรงนี้ยจะมีสามส่วนจะไม่มีทุกมีสุขมีไม่ทุกไม่สุขใช่ไหมเขาเรียกว่าไมทุกไม่สุขไหม แต่ถจะเฉยๆโมหะอ่าใช่ไหมไม่ทุกข์ไม่สงบนั่นจะเห็นว่าคําว่ามีทุกข์เนี่ยเราเจอมาตั้งนานแล้วว่ามีจริงๆทีนี้พอนั่งปุ๊บใช่ไหมเวทนาไม่ปรากฏใช่ไหมเพราะรู้างกายอยู่พอพักเดียวเวทนาที่ปรากฏเพราะว่าธาตุลงมันไม่ไ ม, ไม่ทำไงมันไม่เล่นมันไม่เล่นสะดวกมันอย่างนี้จริงมี้มันเลยอั้นเมื่ออั้นปุบ๊บท่าเกิดความดัน เกิดความดันเกิดความร้อนไปในทีนี้เริ่มไปไงแล้วใช่จิตทั้งหมดที่เป็นจิตรู้เนี่ยมันจะวิ่งเข้ามารู้อะไรรู้เวทนาที่เป็นอะไรเป็นทุกข์พอเป็นทุกข์ปั๊บเฉ็นจุดพวกนี้ไหมเธอกาหนดใช่ไหมปวดน้องปวดน้องปวน้องผวน้องดนอจริงไหมมันก็ถูกฟีดเข้ามาใช่ไหมก็เป็นกระบวนการเดียวกันก็จะกลายเป็นรู้อะไร รู้ปวดรู้เจ็บแต่ใครจะเป็นใครอยู่เป็นเราเป็นเรามันก็กลับมาที่นี่เองกลายเป็นไทรปวดอีกเราก็เป็นอะไรอีกปวดนอนที่นี่เชื่ออย่างว่าทำไมมันต้งปวดหนักกว่าเดิมเพราะมันกลับมานี่ไงเราก็ใส่ใหญ่เลยใช่ไหมปวดปวดปแล้วเมื่อก่อนทำไมยิ่งนั่งที่งปวดยิ่งกบดยิ่งปวดใช่ขะที่เขามาเนี่ยเขาจะมาบวกกันทั้งสองที่นี่เลยถูกไมก็จะกลายเป็นใครกบด ครับใครปวด<ร>ใช่ขนาที่ตรงนี้ปรับใส่เข้าไปถูกไ่มไหนที่สใส่เข้าไปทีนี้เ่อเห็นไว่าอาการปวดนี่ปวดจริงไหมจริงค่ะจริงจะมีสองอย่างหนึ่ ง, เ ร, เ, รงเราปวดเป็นอกุศลจริงไหมเราปวดเป็นอกุศลก็เรียกว่าเป็นอุปาทานปวดด้วยอนนานาจของอะไรปวดด้วยอนนาของอุปาทานถูกไหมเพราะว่า อาการทุกข์กวนใอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายแต่ว่าเวลาปวดปวดที่ไหนปวดที่ใจมันคนละที่กันอาการปวดที่เรามีเนี่ยมันเป็นอุปาทานจะได้ว่าอุปาทานขันอย่างนี้อุปาทานขันที่เขีนเมื่อกี้มันจําอยู่ในนี้ถูกไหมทีนี้ปรากฏว่าขณะที่มันปวดปวดในตัวของมันเนี่ยส่งตรงนี้ไปไงยิ่งส่งยิ่งเมื่วัเลิกเอาอะไรมาส่งแทน เอาอเออเฮ้ยไอ้ตองรงนี้เราเคาเที่ยวที่นู้นนะเราไปที่นี่นะไปที่นูน่นนะเอามันดักมันใช่ไหมพอเอาจะกตัวป่วยที่ไปนี้ขึ้ น, ก, นก็เลยหาทางอื่นไงนจริงไหมจริงไหมหาทางอื่นที่หาทางอื่นปั๊บมันก็เลยดันเอาเรื่องไม่ดีออกมาจริงไหมเออแม่หัวหน้าแล้วเนาะปรากฏว่าพอเอาเรื่อ ง, ออองไม่ดีออกมาปรกากฏอาการปวดเปน็นลมปวดลมเฮ้ยอยู่ได้ไหม ไอ้เรืงนี้บางคนก็เลยไม่ส่งลงไปพอก็ถามว่าอาเวทนาเป็นไงบ้างเบาเลยค่ะแล้วเป็นไงอีกดูน้ารู้แหละผู้สอบอารมณ์ก็รู้แลยเจม่ไคนรู้แล้ววันนี้เป็นไงเขาเรียกว่ายบจะไม่ยบพวกเรียกยบใช่ไมยยยบยบไม่คนเพราะว่ายิ่งกาหนดต้องยิ่งเจ็บเจ็บในที่สุด มันจะไม่เจ็บยานจะปรากฏนี่แหละทำไมฉันพัฒนาพวกเราให้ถึงยานให้ได้ถ้ายานปรากฏเมื่อไหร่เธอจะแยกไเล่นทีว่าจริงๆแล้วมันมีเรากําหนดกับเราปวดอาการตรงนี้มันจะเบาลงเลยไม่ใช่เบาที่ขานะมันเบาที่ใจเราจะรู้ว่าทําไมต้องอยู่ได้ปวดเนาะปวดเนอปวดแต่อาการก็ยังแรงเหมือนเดิมแต่ทําไมต้องอยู่ได้นี่เพราะยานปรากฏแล้ว ยาบอกอะตัวแล้วถึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเรากำหนดเราปวดด้วยเรากำหนดเราปวดด้วยมันจะมียานรู้เลยว่าที่มันปวดขึ้นมาเนี่ยจริงๆมันปวดที่ไหนเออแล้วขาเนี่ยเป็นของใคร <Okay. S 1> นั่นทำไมเราปวดจังแสดงว่าความคิดนี้ไม่ถูกนี่มันเริ่มเปลี่ยนความเห็นแล้วฉะนั้นก็เลยถอยเราไปทั้งหมดมาที่ไหนมาที่เรากาหนด กำลังที่ถอยกลับมาเนี่ยเขาเรียกว่าถอนอุปาทานถอนจากถอนจากตรงนี้ซึ่งเป็นเรารู้ปวัติกินไหมถอนเราเนี่ยมาที่นี่ตรงนี้เหลือแค่เพียงอะไรรู้ปวดนี่เรียกว่าถอนอุปาทานคือถอนเราออกมามาอยู่ที่ตรงไหนมาอยู่ที่เราถูกไหมเราตรงนี้ซึ่งทำํำหน้าที่เป็นอะไรอยู่ สติใช่ไหมสติกันหมดใช่ไหมว่าเราคือสติจริงไหมขณะที่ถอนออกมาเธอรู้ว่าเธอได้อะไรมาเธอได้สมาธินั่นแหละคือคาว่าตัวถอนเห็นนะเธอจะได้สมาธิออกมาจากเขาตรงนี้มันที่จะก่อเกิดเป็นบัวบัวที่เขาว่านั่นแหละพอที่เขามานี่คืออะไรหมดเลยคือตมเธอกาลังสร้างบัวเห็นไหม ฉะนันจึงไม่ให้ไม่อยากให้กลัวหรือเวทนาเพราะเวทนาเป็นอะไรจะรู้ไหมเวทนาเนี่ยเวทนาเป็นกุศลเป็นของดีเวทนาเป็นกุศลเป็นของดีแต่เราไปได้หมดกลัวเวทนานี่คือกุศลเวทนาทำใหลเรพ้นเวทนานี่พาเราไปนิพพานโอ้ยมันไปหมดกัทีเฮ้ คนไม่หมดสักทีที่ีอ่านนี่บอกว่าเชดอบอกว่าถ้าใครกลัวเวทนาก็คือกลัวที่ได้รับเออใครกลัวเวทนาก็คือกลัวนิพพานแล้วถามว่าทาไงให้เวทนาไม่มีก็ก็ไปต้องนั่งไงเชดอ่ะเอาไม่กวให้กิกิน่อะไรเนี้ยแต่ว่าเชดบอกว่าก็ ก็ไม่นต้องไป่ทำให้มันเจ็บเลยแต่พอเรานั่งเวทนาออกแล้วพอเรากำหนดได้พอเรารู้นะพอเราออกมาจากที่เราเดินเนี่ยมันโล่งอามันโลกหมดเลยอ้าวเจนั้นโอเคช่วยอีกแรงหนึ่งอีกแรงหนึ่งที่พูดในถูกทุกคนมีหมดเลยแต่ไม่ค่อยกล้าพูดหรอกจริงๆคนที่พูดได้ดีกว่าฉันคือชีติกนะชีติกกเป็นมดทุกเรื่อง เดี๋ยวรอไปรอไปรอให้กล่าคุยตัวกันมันรู้หมดทุกอย่างเลยรู้หมดคีดได้หมดเลยก็เป็นระบทแล้วทุกอย่าง <c oughs> เช่นเรามีอาการที่โกรธอย่างแรงนะรอย่างแรงนะโกรธอย่างแรงโกรธอย่างแรงนี่ไม่ยงังยังไ ม, ยงไม่ยังไม่มีกําลังนะอะไรที่มีกําลังมากกว่าโกรธอย่างแรง <c oughs> อะจะมีอากาตอากาเนยอากาตเนี่ยอาการเนี่ยมันจะมีสองสองอย่าง อีกอันนึ่งซึ่มีแรงเท่ากับอาฆาตเลยพยาบาทเดียวกันอาฆาตพยาบาทจองเวน <Okay. S 1> อะไรที่มีกําลังเท่ากับอาฆาตเลยพีแต่อาฆาตเลยเป็นภายนอกภายในหรืออะไรกำลังเท่ากันเลยคืออการน้อยใจ <Okay. S 1> ไอ้นี่เป็นภายในเ <Okay. S 1> ช่นน้อยใจลูกอะไรภายในจริงไหมน้อยใจลูกน้อยใจสามีใช่ไหมแต่ถ้าอาฆาตนี่เป็นคนนอก ไม่ใช่คนในครอบครัวคนในครอบครัวจะไม่ใช้เป็นอาฆาตหรอกจ ะ, จะใช้คํว่าน้อยใจแต่กําลังเเท่ากันเห็นไหมนด้วยบางครั้งเป็นไงกินยาตายมึงผูกคอตายมังฟาดชดมึง่งเห็นอย่งเออจะทําอย่างไรซึ่ง <s> <s> สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครออกได้เนี่ยทั้งโลกบางคนก <s> ็เลยหันหาตัวนี้ไปทําอะไรทํางานทำทำทำทำทำทำทำท เช่ไมทำทไม่ได้หวังรวยนะแต่ว่าหวังเอาอารมณ์ตัวนี้ออกพยายามทำทำทำทำยิ่งทําใช่มันไม่ออกมยิ่งสะสมสะสมสะสมก็บอกว่าไปเนี่ยบางคนล่าลูกศิษย์ฉันที่เขาสนับสนุนเขามีอาการนี้แต่ยังไม่มีโอกาสได้ช่วยครับไม่มีโอกาสได้ช่วยแต่ก็ยังส่งเรื่องทานมาอยู่แต่ก็ยังต่ออยู่ต่ออยู่ต่อก็รู้ดีว่าเขามีอยู่ฉันทั้งปรัชนาพวกเรา ที่พอเราเดินทางมาถึงขั้นนี้แล้วก็ควรที่จะเป็นไงบ้างควรที่จะได้ตอบแทนบุญคุณกับผู้ที่เขารักเราและก็เรารักเขาถูกไหมพอเธอได้ตรงนี้นะเธอจะเห็นว่าโอ้โหใ้อย่างที่โยมวัดนิรามพูดแหะโอ้โนี่เป็นพระไปสอนทั้งนงี้ดีเนาะแต่ท่านเราเราูไไ้ว่าเป็นไงแม่มันถูกไงมต้องหาทางหน่อนะก็อย่าเพิ่งท้อ ฟุ๊กกิ๊กจะเรื่องจะดูมือถือเลยนะถ้าเขถ่ายเนะโยงคนนี้มันฟุ๊กกิ๊กพักอย่างไรเออก็ดูจังหวะดเลยเนาะแต่หาวิธีบางทีอาจจะใช้วิธีพูดเล็กๆน้อยคือหัวเนี่ยมันได้ยินอยู่มันจะไปผสมเองเราก็ต้องรู้ความจรินตรงเนี้ยถูกปะแล้วก็ค่อยพูดนิดนิดนิดคอยสกิบสกิบคอยสกิบเอาไว้เพื่อกระตุ้นแกเพื่อกระตุ้น เช่นั้นพอมีอาการตรงนี้เราจะรู้ดีว่า น, นี่ก็จะเกิดความกลับเป็นรานี่มากมายมันจะกลับมันจะวนอยู่เนี่ยก็เลยนอนไม่หลับใช่ไหมกังวลกายเป็นอะไรเลยบางทีมันก็เลยทําให้เกิดบางสิ่งบางอย่างวิ่งมาที่กายถูกปะ่ะสังเกต ด, ดูไม่ยากเลยเอา่าเพราะเราอยู่ที่ไหนสมองเออมันคิดวันแล้ววันเดียววันแล้ววันเดียมันจะเกิดพอคิดมากร้อนไหมร้อนใช่พอร้อนก็วิ่งมาจุ๊บจแบบวิ่งพเพราะระบบประสาทวิ่งโั่วกายเลยพอเออวิ่งมาที่นี่ มันเจออะไรมาเจอเอาตัดอ่อนจี้อยู่ตรงเนี้ยคืนหนึ่งมันจี้ยิงไหมมันจี้จี้จี้อยู่คืนหนึ่ ง, ง, นนงเกิดอะไรขึ้ น, นใช่นี่แหละสาเหตุของมะเร็งมันจี้วนเอวนร้อนมันส่งวดจีิงไหมส่งล่างกายนี่สาเหตุของมะเร็งไม่ใช่ว่าไปทอดนะไม่เคี่ยวโอ้ยดู อาจารย์พูดอย่างนี้กลับไปฟาดใจฟาดใจไม่รู้แล nee, ้วไม่ดูใจสีฟูไม่ยากอร่อยได้เออเข้าทางเลยฉันว่าตรงเนี้ยเธอจะแก้ปัญหาไม่ได้แต่ว่าเธอต้องประกอบพื้นความอะไรมากเลยอะไรยงวันิดากำหนดการยู life, ้หน้าเหรอต่ยยง โ ย, ยมก็โยมก็ที่มานิยมก็โดนอย่างนี้อยู่นะน้อยใจสามีและลูกนี่แหละแล้วโยอมมาเนี่ยโยมก็บอกว่าปล่อยแล้วไงคือปล่อยช่างมันช่างมันแมวแล้วคือแบบสบายๆแล้วคือผมมันโล่งกลับมานั้นเนี่ยมาอยู่ตรงนี้มันมันโลน่งไง อยากอยู่นี่ด้วย้เฮ้ยทําชมเยชิมเฉยนัเตรียมใบมิโกนแล้วไม่ทันแล้วไม่ชเตรียมใบมิโกนแล้วมมันเตรียมเตรียมเตรียมอาเตรียมนี้เลยเตรียมเตรียมเตรียมไม่มโกนเอาตรงนี้ก่อนทุกป้าเนี่ย กี่ปีแล้วตั้งแต่สร้างวัดมาเออบอกนีหนูอยากทำอะไรอยากบวชเอออยากบวชร้องไห้ฉันมาหลังพวกนี้อีกทำไมหนูเออมาออีกมาขออไมหนูไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฉันมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เหตุปัจจัยไม่ดูที่ฉันนะเหตุปัจจัยชิดติฉันไม่เคยบอกให้เขาบวชนะ อยู่ on, ๆคนปิดประตูตู้ที่บ้านมายังแม่ไม่รู้ขึ้นเครื่องบินมาส่งของมาก่อนส่งของมาก่อนแม่ประดูเลาเสื้อผ้าลูกสาวหมดตู้แล้วบอกแม่มาแข่งนะไม่บอกเอมันขึ้นอยู่กับของแต่ละบุคคลเพราะแต่ละคนก็มากันอย่างนั้นถูกไ่มเหมือนกันฉะนั้นชั้นกลกายเป็นอะไรโยก กลายเป็นแพ้ไปหมดเลยเขาไม่ได้ถามลูกสาวก็เลยลูกสาวเข้ามายังไงก็ราะนั่นคือเจตนาของเขาถูกปะอันนี้เหมือนกันฉะนั้นตรงนี้เธอจะต้องเป็นไงอย่าทิ้งเธอต้องสร้าบารมีอย่างเนี้อที่มาเนี่ยจะต้องทําทำทำฉะนั้นเึงต้องยอมรับว่ากายนี้เกิดจากไทยใช่จะต้องมาจงกรมถู่ปะยังไม่ชีนั้นยบอกใครว่ามาสองสามวัที่แล้วเนี่ยมาเจ็ดวันเนี่ยให้ดม มาประเดิมให้มาดมยังไม่ได้ชิมเลยแต่ว่าถ้าชิมเนี่ยต้องถ้าท่านกินเนี่ยต้องเหมือนโจ้ท่านชิมก็ชิมก่อนนะไหนนั่นนันอยู่ที่เขาจริงไหมไม่ได้อยู่ที่ฉันเลยอยู่ที่เขาชอนอ่าอยู่ที่ตรงนี้แต่เราต้องมองดูนะว่าเธอรู้ไหมว่าที่เธอมาสามสี่สามวันนี้แหละที่เธอําหนดทั้งหมดเนี่ย เธอรู้ไหมว่าอันนี้สองที่จะกําหนดเนี่ยมันสะท้อนกลับไปหาเจ้าภาพเธอรู้ไหมว่าเท่าที่เอย่เลยว่าเราก็รู้ใช่ไหมอันฮะขาประจำเอาอย่างหนึ่งมาหลายปีเนี่ยไม่ไ ห, มหลายปีอพอไม่แค่ไม่หลายปีเลยสองปออีสองปีเออคนต้องถ้าหาพยานไม่ได้เลย <laughs> <c oughs> เอาเอาทั้งที่เราดูงานพระป่าก็ได้ก็ส่วนใหญ่ก็คือลูกศิษย์ทั้งนั้นเพืออคำ้คำค้ำกันเพียงแต่ว่ามันไม่ออกมาเป็นรูปธรรมถูกป่ะแต่ชีวิตชีวิตเท่าที่เราฟังอะไรเป็นไงไม่มีวิบัติลงไงให้สังเกตดูไม่ใช่ไม่ตามเขาอย่าลืมว่าใบดีการที่พิมพ์ทั้งหมดเนี่ยนั่นไม่ใช่ญาติโยมทั่วไปนะจูโทรไปใช่ไหม <c oughs> ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ญาติโยมทั่วไป ใช่ไหมโยมผู้ก็ต้องบอกว่าไม่ก็ต้องบอกว่าไม่ไม่ได้สาธารณะมีโยมาเหมือนกันอย่ากจะสร้างกุฏิมีสตังถามฉั้นชั้นเฉยนะข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวกับชั้นจริงหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวกับชั้นเลยหน้าที่ชั้นคือตรงนี้แต่ถ้าโยมจะมาทำจะต้องมาทําอย่างไครก่อนอย่างที่เรามาจริงไหมถึงพยามาเสมอแม้กระทั่งว่าอาหารประณีที่เราได้ฉัน อยากโยงแะงร่อสามแยกเจจูจะเห็นแต่อามาสอคิมเขามาส่งนะให้เป็นอาหารที่ประณีตมากจะพูดด้วยอะอ่าผมยมพูดด้วยฟิตมาฟิมาว่าจากภูเก็ตเลยนะคะก็เรานึกดูในการมานั่นแหละเราไปดูชีวิตเขาจนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีหรอกเท่าที่ไปฟังมารับฟังถ้ามีป๊าก็ต้องส่งข่าวแล้ต้องส่งข่าวแล้ว เนี่ยอาทิสง์สอที่เราได้มาเจริญวิปัสนาเรียกว่าวิปัสนาคุณสนเนี่ยอาทิตยสองมันถึงแรงมากจริงวะถึงแรงมากนี่มีพี่สาวคนนึ่งลอยอยู่แม่เขาอยู่ใต้ฐานใต้ฐ า, านใต้ฐ า, านหินน่งสุมส้มประตูตตหน้าวัดอายุหกสิบปีเดี๋ยวแม่อะไรรื่นจิตเป็นผู้บุกเบิกวัดนี่มันพร้อมกันรับลูกสามเขาหนี่ลูกสามเขาก็กับสามีก็ให้สามีไปอยู่ทิ้งแล้ว อยู่คนเดียวก็หาทางมาอยู่เนียจบจบนิติศาสตร์รามประแขงสามปีเปิดร้านขายเสื้อผ้าอยู่ที่ประตูน้ำก็จะหาทางกันมาอยู่เนี่ยแต่ถ้าบอกมาย่องย่แย่งแย่นี่จะไม่มาหรือว่านี่ยเนี่ยจะพูดเนี่ยพูดอะไรนะลูกมาย่องย่องแย่งแย่งเนี่ยคือคือจริงๆเ่ยเขาเขาก็พูดอย่งั้นแหละแต่ว่าเวลาเจอฉันเนี่ยเขาก็โอเคอยู่เพียงแต่ว่าเขารู้ว่า ฉันฉันเล็งเขาอยู่ <c oughs> คือต้องเอาประเภทนี้มาทําอะไรเอามาทําอะไ ร, ร, ะรเอามาศึกษาเอามาศึกษายังนี้ <c oughs> เขาตข้องเาหนีเขาอยู่ก็สารน่ะสามแสนหลวงพ่อก็พระพุทธองค์จะเข้ามามาคดเย็ะต้องหาหาพระเจ้าพีพิสารเลยเขาจะแล้วฉัเอามาเอามาวันหนึ่งหาวิธีเอามาจนได้มาวันหนึ่งก็าามาทําทยทอย่างนี้แหละมาเดินหน่อยจต่ชี้ทิศสอนตอนนั้นไงก็งัดกับชี้ทิศถามเรื่อยใช่ไหมแต่ตอนนั้นเฉันก็ยังไม่เคลียร์ขนาดนี้ยัางไหม เราจะกลับไปแล้วถามาว่าหลวงพ่อวันนี้ไม่ทําบุญไหมบอกว่ามันมันเยอะนะเจ้ากระพูดอย่างนี้บอกมันมันมันมันเยอะนะเอถามว่าจะทำศาลาที่เราปฏิบัติเมื่อก่อนจะเป็นถ้ามาใหม่จะเป็นศาลาฉันจริงนะจะมีตต๊ะอาถรรพ์สงเต็มเลยฉเป็นศาลาฉันที่นี้ฉันไม่อยากสร้างใหม่ใช่ไหมเพราะว่าเราก็เพิ่งเริ่มต้นเอาแค่นั้นก็เลยปรับศาลาฉันแล้วบอกว่าทังนั้นก็ปรับศาลาฉันเป็นศาลาปฏิบัติก็ใช้งบสามแสนเอาเช็คมาตั้งเขียนให้เลยก็เลยมา ทำสองชั้นให้เรานะแล้วก็ข้างบนก็มีช่องระบายอากาศใช่ไหมแล้วข้างบนหลังคาแนละ้วก็เจาะเพื่อเอาอากาศร้อนอา า, อาากาศเอาอากาศร้อนข้างบนออกนอกไปแล้วก็พี่ชายเขาปาติกระจกให้เพราะเพราะว่ามาปฏิบัติเล่นเป็นไงมาแรงหวีมันเยอะเมื่อก่อนเป็นหน้าต่างแบบบานเปิดไม่มีมุ้งลวดไม่มีมุ้งลวดนะพี่ชายเขาก็เลยลงมาให้หกหมืก็เลยมาสร้างให้่ก็เลยเป็นศาลา ย, ย่างเจ้ายังไม่ถึงสมบูรณ์ปรากฏว่า พี่ชายเขาได้รับอนิสงก่อนจะลงทุนล้านทางกระเป๋าจะมาห้าล้านไม่น่าจะอยู่เออเปิดเป็นสิบล้านนึงไหมทํารงงนกระเป๋าขายเมื่อก่อนรับจากจีกนพอทําอนิส 60, งก็หกหมื่นเท่านั้นแหละไม่เปิดดีกว่าร <c oughs> ับเข้ามาขายเลยดีกว่า <c oughs> ก็เลยไปซื้อบ้านได้มาหลังถ้าสิบล้านแหละ <c oughs> น็อกเลย <c oughs> นี่ไงนี่คิว้าหลังคิว้าหลังคือถ้าเรามั่นใจนะถ้าโยมถ้าเรามั่นใจนะถ้ามีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นวายาวัชิกรที่นี่ถ้าเราไปข้างหลังจะเห็นว่าตัวศาลาพระธรรมจักรที่กําลังทําอยู่เนี่ยข้างหลังจะมีเหล็กอยู่นะเห็นเหล็กอยู่ไหก อ่าเล็กเนะนี่ยนั่นคือลูกน้องเขาทั้งหมดใช่ไหมเข า, าจะเปโทรลงตำแหน่งเอ็มบีเอนะธุรกิจทำธุรกิจเจ้หายไปสิห้าล้านเอ๊ะทำธุรกิจยังไง <c oughs> ทำธุรกิ จ, จหายไปสิห้าล้านเออเมืก่อนน้ามื่ก่อนนี้ก็ตัวก็ร่ำนะเนี่ยร่ำเหมือนแอมนี่แหละแต่สูงกว่าเขาสูงกว่าขับเมื่อก่อนมาวัดขับเบ้นมาตีนี้ขับ จนก่อนคัพิเด็ครับก็บาดเก่าๆมาทัคันคือหมดเนื้อหมดตัวเลยสิบห้าก็ได้จะประมาณสี่ปีที่แล้วนะสามปีเ็เส็าปีเสร็จสตานี้เป็นเบ้ามาเลยกู้ทุกอย่างเท่่ที้กู้ได้หายชั้นไปปีหนึ่งกลับมานี่กระหับถึงนี่เลยกลับหน้าสำงงานักงานกลาบถงนี่มือนี่แต่เท้านี่เลยดูแลมาตลอด ปีหน้าหมดนี่แหละไปไหนพนาโทธานที้ก็ขับรถไปให้แต่อยู่พราะก็เลยมาแทนอันอั น, อนที่เป็นวิยากรเก่าที่เนี่ยที่เสียชีวิตไปจะมาเดี๋ยวปีหน้าก็จะบรรจุบรรจุกระดูงอันสีนน่สิบสี่ปีวิทยากรโยธาบอกคแก่เสียชีวิตภายในสิบห้านาทีโควิเยร์จูเพราะว่าโควิเยร์จูเขาตายเลยกหัวอันตายเลยแต่แต่พี่หนึ่งเขาเคย เขาเล่าว่ามีคาไตคาโทรศัพท์แวะคุยกับเขาใช่ไหมชีวิตหนูอลไฉันอยู่พม่าตอนนั้นอันอ้วนๆน่ะเป็นวายาวก่อนี่นีดตีเลยมาแทนตเลยมอนะอันนี้เราทำสมาธิไปเจอกันนะแค่เจอกระิ่เนี้ยค่ะกันกระดูกเขามีอยู่เดี๋ยวฉันจะเขาเสียบบนที่14สิบส่สิงหาเดี๋ยววันที่สี่ฉันจะฉันจะไปจุกระดูกเขาใต้เห็นที่ฉันกำลังทำอยู่หน้าวัดเป็นป้ายวัดน กระดุมอันจะอยู่ข้างล่างเลยคู่กับโยแม่องไรโยแม่อะไรก็อยู่เป็นชุบวัตอยู่ใต้ชุบวัตลงไป3เมตรขงองโยแม่ไี่อยู่ใต้ฐานเลยไม่อยู่ข้างเลยคือไม่มีใครเห็นเพราะฉนถือว่าเขาคือผู้บุกเบิกทั้งหมดที่มาที่นี้เป็นผู้ที่ก็ปวดที่ชั้นพักนะ่ะทั้งนั้นก็คือปัจจัยของอันจะแม่น่นะนี่ให้เราได้ดูว่าถ้าเรามั่นใจจะทําธุรกิจอะไรวิปัสสนาสิ โยงแรมก็ไม่ได้ยากนี่มันจะมีดุสิทธานีก็บโอเรนโอลเอนท์โอเรนท์โอลเอนท์โอลเอนท์โอลเอนท์โอลเอนท์โอลเอนท์โอลเอนาเอนท่โมันท์โเอนท์โลเอนท์โลเอนท์โลเอนท์โอลเอนท์โอลเอนท์โอลเอนท์โอลเอนา์โอลเอท์โลเอนท์โอลเอนท์โอลเอนท์โอลเอนท์โอนาลเทนทลเอทเอนทนอลไออเลเลนเลสลเทําลเอนท์โอ นี่สิ่งที่เราทำร้ายเขาครูเจ้าบอกว่าควรทําหรือต้องทําด้วยซ้ำแล้วให้เราเป็นอะไรให้เราเป็นมรรคหรือเป็นสติชีวิตต้องทํางานเหมือนเดิมแต่ไปไหนให้รู้ว่ากายนี้เป็นของใครเหนนะหไปไหนจะมีเสมอเสมอแล้วคิดใครคิดคิดจากไหนแค่นี้เราก็เป็นสติแล้วแล้วถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไะ ไม่มีอะไเปลี่ยนแปลงข้างนอกเลยเปลี่ยนแปลงเดย ว, ว่าที่เดินนี่เป็นอะไรมาันจะาใครเนี่ยประจับน้าำขึมนมาเนี่ย ย, ยกมาเนี่ยใครสั่งไงเราหนักเราแล้วเรานั่งอยู่ตรงไหนนั่งที่กายเรานั่งอยู่ในนี้ <c oughs> ถ้าเธอวีอย่างนี้แล้วเธอไม่ต้องห่วงจริงแล้วเรามีตรงนี้อยู่จริงๆริงไหม <c oughs> ก็จริงๆรูงดูปะเพียง <c oughs> แต่ว่าเราไม่เราเป็นไงหมด <c oughs> มันเป็นเราหมด มั่นเห็นว่าทําไมไปไหนจึงให้คอยคอยกําหนดอยู่จริงไหมมันลืมใช่ไหมที่เข้ามาแต่เมัื่อไหร่มันทำได้เป็นพักๆแล้วมันก็ลืมถ้ามันมันจะต้องมาซ้ําแต่พอถึงเวลามีกรรมฐานก็อยากนะหมคือไม่ไปอยู่บ้านเนี่ยมันกําหนดได้แต่พอมันเพลิดเพลินทีวีบ้าง อ อ, อันนี้ก็ยอมรับว่าฉันยังยั ง, ยงไม่ได้ให้เทคนิควันนี้อันนี้ถือว่าที่แล้วมาก็ไม่ได้ขนาดนี้อันนี้คือมาให้คือฉันพยายามกลันน่นถึงไหมคือตอนเนี้ยที่แล้วมาทีนี้ยังไม่เคยได้ยินเลยว่าเราเป็นใครเนี่ยมไ่ไยินพร้อมกันที่แล้วแค่มาว่าเไอตาซาอยอย้ายยางน้อนไฟหนอ่อยใช่ไหมเออแยกเป็นสอง<ช>แต่ว่าคราวนี้มาบอกถึงที่สุดเลยคือครั้งนี้ถือว่าที่สุดแล้วข้อหนึ่งเรารู้ว่าเราเป็นใครขึ้นมาคราวนี้ เพิ่งมาวันข้างหน้านาเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอน่าจะมีแล่วอพอแบบว่ามันเริ่มเหนื่อยแล้วอ่ะไม่มาแล้วดีกว่าที่นี่ไม่ไหวแล้วปิดเหนื่อยปิดที่นี่กับตัวเองแล้วกันแต่ทีนี้ผมมันไม่มาไม่ได้แล้วเพราะว่าคือตัวนี้ก็คือว่าคือตัวนี้คือที่สุดอยู่ตรงนี้แหละไปที่อื่นไม่ได้ที่เหลือเนี่ยมันตามํำนาญ ทำนานดูไหมเพราะเรารู้ว่าหนึ่งเราเป็นใครก็คือมรติจริงไหมยังเหลียวว่าคราวนี้สิ่งที่เรามาเนี่ยที่บอกว่าทำไมถึงที่สุดแล้วเพราะเรามารู้อะไรแล้วอริใช่อริยัจสีนี่เรามารู้เรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจักรวาลอันนี้เรีือแต่ซ้ําๆจริงไมหนึ่งเรารู้ว่าเราเป็นอะไรแล้ว <c oughs> เราเป็นสติเราเป็นมรติ เฉะนั้นหน้าที่ตัวนี้คือเราต้องประหารอะไรอความอยากอยากอะไรอันดับแรกอยากอะไรเอาเงินจับนี่จัอตรงนี้แหละที่ไม่ค่อยอยากจะมาตรงเนี้อไม่เคอยอยากจะมาสต่รวมกับพอกายเนี้ยใช่ไม่เค่อยอยากจะมากันตรงนี้อันนี้ประสบการณ์ตรงแตอกายที่เป็นทิศเชื่องก่อเพราะว่า เราจะคิดอยู่ในนี้หมดเลยเสียดายกายคือมันปฏิบัติแล้วแค่หลวงพ่อพูดอะน้ำตาร่วงเลยอะเสียดายมันเสียดายอะใช่เดี๋ยวเธออายุขนาดนี้ก่อนแล้วเธอจะรู้เจ้ามาไอ้นี่เสียดายหนึ่งนะหนึ่งนะเธอเกิดมาก็ไม่ใช่ว่าขาวปิดก่อนเั้าแม่ปิดกัน จี้ก็แล้เออฉะนั้นเธอเคยมีโอกาสเพราะแต่นี้อายุเธอน้อยที่สุดไม่ว่าเราติดกันไม่เท่ตรงนี้ดีกว่าเออไปเกาหลีไปกินยานี่ก็ได้โอ้ยหัวใจหัเย็ยข้าปัญหาอะไรหปัหาว่าเราไปจำใครเราไปจาใครเราไปจเราไปจาแม่ของเราแม่แม่สวยแม่เราไปจาแม่เรารว่าเป็นใครจีไงแ เลยทําให้แม่เราไม่ได้อานิสงส์อย่าลืมนะบางเทีคุณแม่ของเราเนี่ยบางทีเสียไปแล้วใช่ไหมเราเคิดว่าไปเสียแล้วใช่ไหมเราก็เลยเฉยๆใช่ไหมเธอไม่รู้เหรอที่นั่ ง, น, งนี่คือคุณแม่ของเธอเนี่ยคือคุณแม่ของเธอคนวันเกิดกายเกิจากไหนแม่บอถ้าเราเอามาวิปัสนาล่ะเราก็เปรตเราใช่ไหมแล้วเราเป็นอะไระเราเป็นสติถ้าเราเป็นมรรคใช่ไหม ใช่ไหมแม่ของเราเดี๋ยวนี้สงส์เต็มเต็มเลยแต่ตอนที่อยู่ที่ห้องปฏิบัติอ่ะอืมตัวกิเลสตัวตัณหามันเลยท็กได้มันจะออกอย่างเดียวเลยคือกิเลสตัณหาเนี่ยเรียกอีกชื่อจะคือตัณหาเนี่ยอาจจะเข้าไม่ค่อยถึงจะมีชื่อนึงนะเขาเรียกว่าชั่วเนี่ยอันนี้อันนี้เข้าถึงอ่เข้าถึง ใช่ดันั้นเธอหนูก็่านเธอต้องการให้แม่ในสองทำไงเราต้องเป็นอะไร<น>เราจะเป็นมัแล้วรับรองว่าโอ้โหนี่คือเขาเลยเนี่ยที่ทำให้ฉันมีกาลังใจตอนนี้แม่แปดสิบสามถามวันนี้ก็ดูเด็กโยมพ่อแปดสิบเก้าฉันเอาสิ่งเนี่ยคํำเขาไปไปดูแต่เขาไม่มีฟั่นเฟือ น, แ, น, นแล้วไปดูหน้าดูตาเขา ยงยู่พ่อปัามหน่รอบแล้วปั๊มฉะนั้นถ้าเธอปรารถนาใช่ไหมหนึ่งคุณแม่ยังอยู่ไหมครับไม่อยู่ค่ะใช่นั่งอยู่นี่ค่ะที่ฉันพูดเนี่ยก็ไปทำให้เนี่ยถ้าเธอทำตรงนี้จบแล้วเธอก็แผ่เมตตาการแผ่เมตตาว่าเออขอให้คุณแม่เป็นไงมีความสุขพ้นจากควาทุกข์เขาได้หมดเลยเพราะนี่คือเขาจริงๆ ถึงก็ือเ่าโยมไม่ได้จริเนี่ยเราเราไม่ทําเพื่อใครทำเพื่อพระทำเพื่อพระถ้านั้นคราวนี้ถือว่าเรามาถึงที่สุดกันเดี๋ยวจะมาชำราให้มันซ้ําๆๆๆๆำซ้ำถูปเพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเธอเป็นใครเป็นมัจเธอเป็นมัจเธอเป็นสติถูกปะแล้วเธอรู้ว่าที่กองทั้งหมดนี้คือใครคือพ่อกับแม่ของเธอใช่ไหมเธอก็ทําอะไรสงฆ์ใช่ไหมโยมพนอม มันมีแต่ผลส่วนกนที่นี้ก็ชีวิตเธอก็จะระดมหนูบปะ่ะอยากจะซื้อโรงแรมก็ไปซื้ อ, <c oughs> อพอไม่ขายปั๊บยืนงี้เลยยืนหลับตาเลย <c oughs> แล้วก็กำหนดยืนนรอแล้วเ็าก็บอกเอาเท่าทไหร่เลยเยอะที่ฉันที่ฉันพูดไม่ใช่หรอกก็ <c oughs> นึกถึงพุทธศาสตรเถ้ามาแรกๆเราจะรู้จริงว่ามันมีอะไรจริงไหมมีอะไรล่ะ มาครั้งแรกมันมีตาตาอยู่แล้วแหละโอ้ย <c oughs> ตาตาเออมันไม่มีเลยแตต้นประมวัน <c oughs> ต้นใดนะเออมันไม่เป็นแบบนี้ไงตอนที่มาที่แรกเออ ม, มาที่แรกร้อนมากมาที่แรกก็กําหนดอะไรกัน <c oughs> ไม่จะรู้เรื่องเลยเออจริงๆอืมเน<ก>ี่ยโกไม่ม <c oughs> หมวีเฮ้ยตอนตอนส่งองารมณ์คันด้วนไม่ได้บอกเลยอ่าสรุปนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีสรุปแล้ว จะมากสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางสําหรับที่อยู่ก็ให้กําหนดต่อไปสรุปข้อเดียวอะไรหยุดต่อไหมคะไม่ซื้อโรงแรมเรได้ไปแล้วไปบ่อยก็ขายไปบ่อยก็ขายอันดับแรกสมาธิ ถ, ถินะสมาธิถีนี่สรุปแล้านะจําให้แม่นนะสมาธิถีเนี่ย ถ้าแปลภาษาไทยไปว่าความถูอความรู้ถูกต้องอะไรได้หมดที่ถูกต้องไปแปลวินไ <c oughs> รจะมาสมารทิทิข้อหนึ่งคืออะไรกายเกิดจากใคร <c oughs> ใช่นี่สมาริทินี่ที่เขาสรุปด้วยนะ <c oughs> สองเราเราเป็นใค ร, <c oughs> รสติสตหรือม <c oughs> มาถูกไหมสองข้อนะอนะการปฏิบัตินี่สองประเภ ท, ทจริงไหมคือการปฏิบัติขั <c oughs> รปฏบัตก็คือมารคข้อต่อมาหน่อแหละจะไม่ต้องเขียนการปฏิบัติเหลือแค่อะไรท่านนั่นเองกำหนดรู้ <c oughs> แยกก่จัดการไหนนะืะก <c oughs> ำหนดรู้ <c oughs> ก็หมายความว่านี่ใช่ไหมใช่ไหมเออถูกไหมนี่การปฏิบัติ เพื่อเอาอันที้สองผลดนี้ให้ใครเออเา ใ, ใไหมตรงไหมแค่นี้เองยากไหมวันนี้ทําเพื่อใครอนั่งอยู่ตรงนี้แหละฉันไม่ยู่พู้ชัดอยากจบจัเอาถ่ายก็ได้ เออเออถ่ายก็งได้ส่งให้โยกผู้แก่แค่นี้สาวันอืมแค่นี้แหละมีบทสรุปทั้งชีวิตจะหมดไหม <laughs> เดียร้อยแปดส80ปีอ่ะอ่ะไป